บทที่หนึ่งยยเก้าฉถะกระชยันเพื่อจะไหวตัวได้แต่กระสุนไรฟิลนัดแรกก็ระเบิดกึกก้องขึ้นเสียแล้วจากมือของมาเรียฮอฟมันแล่นนักและจบุกปสาทุกคนที่กลายเป็นอมตภาพไปชั่วขณะให้กลับคืนมาสู่สํานึกแหง่งห่วงมาหันตะไครที่เข้าถึงตัวเจ้าสัตว์ประหาดที่ทุกคนมองเห็นผาด่าดว่าน่าจะเป็นประเภทค้างคาวแต่มีขนาดใหญ่พอที่จะเล่นงานมนุษย์ได้ซึ่งซึ่งหนัา ด้วยอากาศกิริยาของเดี่ยวหรืออินทรีตัวแรกที่ดิ่งจากอากาศเหนือ้อศีรษะพุ่งตรงล้าหน้าลงมาปะทะเข้ากับเม็ดโลหะสามรอยเกรนด้วยอัตราแรงกระทบสองตันของมาเรียเขาย้ายังถนัดทันีที่สุดม้วนต้นพลิกหมุนอยู่กลางอากาศอย่างไม่เป็นท่าแรงที่ทรงบินมาโดยเร็วเหมือนใครปาวัตถุหนักห น, กหนกเข้าใส่กลุ่มของมนุษย์สิ่งเชยันอุทานลันล่นออกมาอย่างขวัญบินเมื่อมันตรงเข้าไปที่เขาและเชิดฐา ซึ่งกำลังพะวงหมุนคว้างอยู่ทั้งสองคนก้มลงหลบพร้อมกันด้วยสัญชาตญาณเจ้าสัตว์มีปีกเป็นพืชหนังตัวนั้นผ่านพ้นศีสาก ข, ของชายันและเชดิดากระแทกโครมลงไปในพื้นน้ําริมสันดอนตรงบริเวณที่กลุ่มพรานพื้นเมืองเงื่ ง, ง, ะ, งะกันอยู่น้ำแตกกระจายสนั่นวันไวกลุ่มพรานพื้นเมืองบัดนี้ทิ้งสัมภาระที่แบกหามอยู่อย่างลนลานแต่กระจายเพนกันไปคนละทางแยกสองฝั่งพื้นน้ําของแนวสันดิน กําลังอาศัยเดินอยู่ในขณะ น, นี้พร้อมกับร้องโวยวายไม่เป็นภาษาด้วยความโกรธขีดสุดสร้างปามากคมาลงไปดิ้นคลุกคลักอยู่กับพื้นน้ําบุญคันสะบดดาอกมาเสียงหลงเสียหลักลื่นลงไปเค๊กเก่อยู่ริมสันดอนพยายามจะเปิดไรเฟิลออกจากไกซึ่งมีกิ่งไม้และเถาวัลย์เล็กๆพันไว้จันเพนนับน้ํากระจายเข้าไปหลบอยู่ใต้ต้นไทลรสขยินเกิดและสซยทิ้งตัวลงหดหัวต่ำราบหลบ ก, การโจมตีของชุดแรก3มตัว ขนาดเดียวกับที่มารียิงมวนไปก่อนแล้วซึ่งโชบด้งมาเป็นระลอกสองเรากับฝุงบินขับไล่ที่จิกหัวลงเล่นงานฆ่าสึกภาค พ, พื้นดินแง่าสายนั้นไรเฟ้นยังติดสะพายเฉียงอยู่กระไหลเปิดไม่ทันแต่ดาบเดิน่าเล่มยาวเหยียดบัดนี้กระชากปราจักฝักและประจันหน้ากันแนวโชบลงโจมตีนั้นเป็นคนสุดท้ายแถวหลังสุดเพราะตนเองเป็นคนเดินนาอยู่เบื้องหน้า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 เลือดกระจายแดงฉานเราก็มีใครโปรยสีไว้ตามพื้นนามนั้นแล้วชนโครงกับโคนต้นอโรกาเรียดินหมุนคว้างอยู่ตรงโคนต้นนั่นเองระหว่างที่มาเรียสลับปลอกกระสุนนัดแรกออกจากรังเพลิงและตลีตาลานยนัดนัดใหม่เข้าไปทั้งเชฐิฐาชัยยันและระพินก็ตกอยู่ในภาวะพันตูประชิด ต, ติดตัวโดวยหมดโอกาสที่จะยิงได้ซะแล้วเพราะฝูงอสุรกายมีปีกระลอกหลังผวาร่อนลงมาถึง ปากอันแหลมยาวเหมือนใบหอกสับจิกถึงเล็บทั้งสี่ด้านไม่ว่าที่ตีนหรือหัวปีกขยายออกกลางขยุ่มกระพือปีกเสียงอื้ออึงประคองตัวไว้บนอากาศเหนือศีรษะของคนทั้งสามรุมเล่นงานอย่างกระหายเลือดส่งเสียงแผดร้รองกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดไม่ผิดอะไรกับปีศาจแซดไปหมดพรานใหญ่หัวด้วยพานไทยปืนอันหนักหน่วงกระเด็นพั ง, งานอกไปตัวหนึ่ง พ้อมกับก้มลงหลบจังไยปากของตัวที่โชว์ก็มาทางเบื้องหลังแล้วเวียงเขา้าไอีกพลากใหญ่จนมันหล่นตุ๊บลงไปคลามโครมคลามอยู่ในน้ําตื้นตื้นเชิดฐานั้นใช้ปลายลำกล้องไรเฟิลของเขากระทุ้งสวนเต็มแรงเข้าไปบนหน้าอกของเจ้าตัวที่คุกคามอยู่เบื้องหน้าส่วนชายยาตะโกนด่าไปพลางก็หัวซ้ายตายขวายัางไม่คิดชีวิตได้วยปืนน้าหนัก18บแปดปของเขาซึ่งบัดนี้กลายเป็นคาถาวุธไปซะแลว้ว ทั้งสามคนกำลังอยู่ในระหว่างประชิดติดพันจวนตัวเต็มที่ดารินเพิ่งจะมาได้สติเมื่อมองเห็นพี่ชายถูกปลายปีของตัวหนึ่งตีกระทบเซถหลาไปล้มตะแคงอยู่กับพื้นไรฟ้นคู่มือหลุดจากมือกระเด็นไปราชสกุลสาวยกจุดสามููเวเทอร์แม็กซึ่งถือตะลึงค้างอยู่ในมือหันปากกระบอกลงไปยังให้ตัวนั้นโดยไม่มีโอกาสจะทันประทับไหลด้วยซ้าแล้วหลอนก็กระชาไกไป ปล่ออกระสุนให้แพร่ตูมไปยังใจหายใจคว่ำนัดนั้นของดาริ่ดังประสานเป็นเสียงเดียวกับลูกซองอีกนัดหนึ่งซึ่งพุ่งขึ้นมาจากด้านตรงข้ามแล้วซ้ํำไปตามมาสนันวันไหวอีกสองนัดติดกันกอนที่ดาริ่งจะทันดึ ง, ง ม, มันหมายถึงลูกซองที่บอลนั้นระบบกึ่งอัตโนมัติและผู้ญิงก็คือจันท์นั่นเองจันทผู้ซึ่งเพนไปตั้งหลักอยู่ใต้โคนไม้ในน้ํา จักร ล, ลาตัวที่พุ่งติดตามหลังเชิาไปอย่างกระชันชิดถูกทั้งกระสุนไรเฟิลแรงสูงและลูกปลายจากลูกซองเต็มตัวจนร่างกายกระดอนควางกลางอากาศล้นพละกลงมาติ้งอยู่กับพื้นหมดฤทธิ์เดชสงบนิ่งไปในฉับพลันขณะเดียวกันเสียงปืนจากพวกพรานพื้นเมืองซึ่งกระจัด ก, กระจายหลบจากโจมตีอยู่ตามส่วนต่างๆทั่วบริเวณก็ระเบิดขึ้นเอ็ดอึงไม่เป็นซ้ำ คนเหล่านั้นเริ่มจะตั้งตัวตั้งสติได้แล้วและช่วยกันซันโวเพื่อช่วยแก้สถานการณ์ขับขันของฝ่ายเจ้านายอย่างเต็มที่หมายถึงไรเฟิลขนาดต่างๆ4กระบอกและลูกซองอีก2กระบอกเป็นกึ่งอัตโนมัติเช่นนึกระบอกและปั๊มแอคชั่นจากขยินอีกหนึ่งกระบอกหูดับตับไม้ไปหมดทำรังท้องน้ําที่แวดล้อมอยู่และป่าไม้ดึกดําบันที่ยืนต้นอย่างเงียบสงบพวกฝ่าย ม, มนุษย์ตั้งหลักได้เหมาะมัน และได้มีโอกาสใช้อาวุธประจําตัวได้ถนัดขึ้นกว่าในครั้งแรกเจ้าพวกอสุรกายเวหาที่โบยบินฉ ว, วัดเฉวียนหม้โฉบตีอยู่เหนือหัวก็ถูกถล่มให้ย่อยยับลงเกือบหมดทั้งฝูงครั้งแรกความดูร้ายกระหายเลือดตามกำมลนนิสัยประกอบด้วยความหิวโหยสําคัญผิดคิดว่าจะได้พักสาหารอันเอมโอดชนิดหวานคอกลับกลายเป็นว่าพวกมันพุ่งเข้ามาหาที่ตายแท้แทเสียงแผดร้องแซ่ซําประสานไปกรเะเสือ ร, ระเบิดของกระสุน ในคราวนี้เป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดตื่นสนุกของมันหลายตัวพยายามจะพลักบินหนีแต่ก็ตกเป็นเป้าของกระสุนอย่างไม่อาจหลบพ้นไปได้เพราะความใหญ่โตของตัวมันเองซึ่งตกเป็นเป้าหมายอย่างดีที่สุดแม้กระบอกนี้จะพลาดอีกกระบอกก็เจอเข้าจนได้ผลิความกำลังหนาอยู่กลางอากาศและตักหัวลงสู่ยอดไม้บ้างท้องน้ําบ้างเสียงคลื่นโครมทั่วไปเชตฐท้าและชัยยันก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ยิน ภายหลังจากที่พวกพรานพื้นเมืองช่วยกันสันโวปะทะมันไว้ก่อนแล้วฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดย้ายหนีรอดไปได้สักตัวเดียวไอ้พวกผีเปรโผล่มาจากนรกทั้งนั้นฆ่ามันใช่ ย, ยันขบเคิ้วคิ้วฝันตะโกนอย่างโกรธแทนเวียงไร่พ่นจุดหก0ูนไนโตรไล่ตามเจ้าตัวหนึ่งที่ถูกพรรคพวกคนใดคนหนึ่งยิงเจ็บไว้ก่อนบินเอียงเทเข้าไปเกาะพยุงตัวอยู่บนยอดไม้ใหญ่ ซึ่งไหวลู่ไปด้วยน้ำหนักตัวของมันกระสุนนัดของอดีตนายทหารปืนใหญ่ลั่นตูมออกไปพร้อมกับคนยิงก็พังหะเซถอยหลังเพราะหลักไม่ดีก็มองเห็นชัดกับตาว่ายอดไม้ต้นหนึง่งของต้นไทรรอสขาดระเด็นออกไปทั้งยอดรวมทั้งตัวของเจ้าเทรานโดนดอนที่อาศัยเกาะอยู่พังหะลอยตามออกไปด้วยเราก็ถูกกระทุงด้วยซุงทั้งตน้นร่วงโครมลงไปในน้ําเสียงดังเหมือนควายทั้งตัวตก อีกหลายตัวบินปัดเปยหลบยอดไม้หนีพ้นแนวปืนบางก็หัวสนลงไปแต่ดารินกบมาเร็ววิ่งตามมาชิดฝั่งน้ำอย่างบ้าดีเดือดส่องตามด้วยไรเฟิลขอพับหัวลุบลงจมน้ำเลือดสาดกระจายฟ้องไปหมดยังคงเป็ตัวของฝูงนั้นที่พลาหนีบินหลบยอดไม้กำบังตัวไปได้แต่ก็คงจะถูกปืนเลือดสาดเจ็บไปทุกตัว พราต่างได้ยินเสียงมันบินไปหล่นกระทบพด้ายและในย่าแข็อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงครางแหลมยือยรพินไพรวันดูเหมือนจะเป็นคนเดียวในคณะที่ไม่ได้ลั่นกระสุนของเขาขึ้นเลยแม้แต่นัดเดียวภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับคลองจักรสุ ข, ของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจมากกว่าจะพรันพรึงเระหนกจําได้ว่าภายหลังจากใช้พานท้ายไรเฟิล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 ยังร่วงไม่เป็นท่าพิษกนกอินทรียพันโกนเดินอีเกิลที่เผชิญมาแล้วมากมากักเพราะนกอินทรีคู่นั้นมีขนาดใหญ่เต็มบริพฤกษ์กำลังและฤทธิดเดชร้ายกาบกว่าหลายเท่านักพิษกันแต่ว่าเจ้าพวกนี้ยกพวกมาเป็นฝูงเท่านั้นมันไม่รู้จักอํานาจของปืนมาก่อนเห็นมนุษย์ก็เข้าใจว่าเป็นสัตว์มีชีวิตพอที่จะกินเป็นอาหารได้ก็โผเข้าใส่ตามสัญชาตญาณพอได้ยินเสียงปืนและถูกยิงเจ็บก็แตกตื่นพยายามจะหนีไป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 มันเป็นสัตว์ดูร้ายชนิดกินเนื้อก็จริงแต่ก็มีความกลัวคามนิสัยของสัตว์โลกทั่วไปอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกำปั้นหน้าปืนและความเก็บทุกคนวิ่งเข้ามาชุมนุมรวมกลุ่มกันอีกครั้งรวมทั้งพวกพรานพื้นเมือซึ่งตะลุยน้ําขึ้นมาบนที่ดอนสีหน้าของแต่ละคนตกอยู่ในความตื่นเต้นโกนกตกใจต่อเหตุการณ์แม้กระทั่งมาเรียเองซึ่งยืนหน้าซีดกายสั่นเทา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 ระพินไพรวันเอามือลูกทางกับริบตาปริบๆอยู่ขณะที่สำรวจซากนั้นอย่างพินิษพิเคราะห์ถ้าจะดูจากลำตัวมันก็คือค้างคาวขนาดใหญ่เราดีๆนี่เองมีตีนหลังคู่ยาวพ้นแนวปีกตอนท้ายออกไปเล็กน้อยประกอบด้วยเล็บที่แหลมคมยาวงุม้มซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าถ้าขยุ่มถูกเนื้อส่วนใดจะไม่ปรากฏบาดแผลชะกันขึ้นตรีตของขาหลังคู่นั้นก็ไม่น่าจะ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 ส่วนที่น่าสะพึงกลัวที่สุดและแตกต่างจากข้างคาวทั่วไปก็คือส่วนหัวซึ่งประกอบด้วยปากกว้างเรียวแหลมตรงปลายสำหรับจิกหรืองับเช่นเดียวกันนกซึ่งเป็นกระดูกแข็งทั้งแท่งเมื่ออ้าปากจะแลดูเหมือนหอกสองเล่มเบนปลายทางยาวถึงสี่ฟุตเนื้อสีสัขึ้นไปทางด้านหลังทิศทางเกือบเป็นตรงข้ามกับปากบนคืองอนยาวโค้งเป็นกระดูกแข็งเช่นกันทาให้แลเหมือนปากหลังอีกด้านหนึ่ง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 เชษทาว่าเธอว่ามันเป็นสัตว์ประเภทอะไรนะเมื่อตะกี้ดารินหันไปถามเพื่อนสาวต่างผิวซึ่งยืนยืนจ้องอยู่ด้วยความสนใจยิ่งจากซากที่กองอยู่นั้นมาเดียสุดลงนั่งข้างๆระพินพยายามใช้มีดโบวี่งัดลายปากอันเรียวแหลมนั้นให้อ้ากว้างออกไปอีกและตรวจดูบริเวณภายในลำปากอันเป็นกระดูกแข็งเทโซอรหรือเทโร แดกตีลอยเป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานมาก่อนแล้วค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ปีกบินได้โดยงอกปอีกเป็นพืชหนังเชื่อมติดกันระหว่างขาหน้าและขาหลังมันจะเป็นต้นระกูลของค้างคาวด้วยหรือไม่เนี่ยฉันก็ยังไม่เคยค้นพบข้อสันนิษฐานในเรื่องนี้เทโรแดกตีเทโรแดกลอยมีอยู่หลายพันหลายชนิดมีตัวเล็กๆขนาดค้างคาวบ้านธรรมดา กระทั่งใหญ่โตเกือบเท่านกอินทรีเหมือนกับจะพวกที่เล่นงานเรานีิธรรมชาตินิสัยของมันก็แตกต่างกันออกไปตามชนิดพันธุ์และมีอํานาจที่สุดในตระกูลของมันพวกนักโบราณชีวาศาสตร์เรียกมันอีกชื่อหนึ่งว่ามังกรบินเพราะในยุคสมัยของมันนั้นมันครองความเป็นเจ้าอากาศไม่มีสัตว์ปีกชนิดใดจะไร้าการและก็มีอํานาจมากไปกว่ามันอีกแล้วมาเรียบอกกับทุกคนด้วยหางเสียงไม่สู้จะสบายใจนัก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 ที่อาวุธยังไม่มีอำนาจถึงขนาดที่เราใช้อยู่นี่ถ้าใครพบเขา่าเขาก็จะกลายเป็นเหยือ่อยังไม่มีปัญหาและหรือบรรดาพวกเราต่อให้อาวุธปืนดีก็ตามแต่ถ้าไม่เคยผ่านเหตุการณ์ชนิดนี้มาก่อนถ้าทุกคนไม่มีความคล่องตัวพอสมควรและฝืมือการยิงไม่ดีไม่ใครก็ใครจะต้องถึงสาหัสหรืออาจตายกันไปบ้างแล้วจะนอยปากแหลมแข็งยาวร่วมสี่ฟุตนี่ถ้าจิกถูเข้าจัง มันยิ่งกว่าถูกหอของพวกซูลูสิเองนะนกอินทรีย์ใหญ่คู่นั้นอํานาจมากกว่าไอ้พวกนี้ถึงสิบเท่าและข้างข่าวอาถรรพ์มันเกิดจากมหาคัมภีร์มายาวินของมันไรที่เราไปเชิญมาแล้วก็ร้ายกาจกว่าเจ้าพวกนี้อย่างเปรียบกันไม่ได้ถ้าไม่คิดซะว่ามันเป็นสัตว์ดึกดําบันที่เราไม่เคยพบมาก่อนมันก็เหมือนกับสัตว์ายธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าพบอีกเมื่อไหร่ตรงเข้ารังควานเราก็ฆ่ามันซะเหมือนอย่างที่เราทําครั้งนี้ ไม่มีอะไรน่าห่วงสักนิดเดียวชยันบอกมาอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนต่อเหตุการณ์ประชาชินเชะลัตต่อสถาน ก, การณ์ที่หนักหน่วงกว่าเชษฐาหันไปมองหน้าพรานใหญ่เหมือนจะยังความเห็นคุณคิดยังไงผู้กองยอมพรานฝืนยิ้มขยับตัวลุกขึ้นกว่าตามองไปยังท้องน้ำรอบบริเวณที่ซาตัวอื่นๆลอยฟ้องเลือดสาดอยู่กราดเกลื่อนทั่วไปไม่ต่ำกว่าเจ็แปดซาต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 อาการของแหม่มสาวคล้ายต้องการจะค้นหาอะไรที่ความฉุกใจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทุกคนกําลังจะ ก, ก้าวออกเดินรุดหน้าต่อไปหลือมาเห็นกิริยาของหล่อนเข้าก็สงสัยอะไรหรือเมยดารินถามเบาๆขามวดคิ้วขณะที่เดินเข้ามาจนชิดทั้งสองพูดอะไรกันอยู่สองสามประโยคแรกเฉชกุลสาวก็หันมาโบกมือเรียกเทษทชษฐาช ย, ยันและระพินให้เข้าไปรวมกลุ่มบอกด้วยหางเสียงตื่นตื่นว่า ไม่สงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฝูงค้างคาวขนาดย่อมที่เกาะอยู่บนยอดไม้ตอนที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นี่เขาอยากจะดูมันให้ชัดชัดสักตัวบอกว่าตอนที่ผ่านมานั้นไม่ทันสนใจสังเกตให้ทีทั่วทำไมสงสัยยังไงเหรอเชถาฐานโดยเร็วกมาเรียโดยตรงหล่นเลดกกล้องลงจากสายตาเพราะยังไม่สามารถจะกวาดพบค้างคาวเหล่านั้นได้ในระยะที่ยืนอยู่นั้น รู้ว่ามันจะไม่ใช่ค้างคาวธรรมดาอย่างที่เราคิดนะสิครับพี่ใหญ่ฉันเพิ่งจะเฉลียวคิดขึ้นมาตอนที่เราเผชิญหน้ากับสัตว์ประเภทเทโรซอ์พวกนี้เองมันอาจเป็นพวกเทโรซออย่างเจ้าพวกนี้ก็ได้แต่เป็นพันธุ์ที่เล็กกว่าระหว่างที่เชษฐาชา ย, ยันพบกับข้อชะ ง, งนความสนใจชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นกับกระพินในทันทีโดยไม่อาจมองข้ามอากาศกิริยากระสับกระสายของมาเรียไปได้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 ไม่ได้เกาะกิ่งไม้ห้อยหัวและฉันไม่ได้บอกหรอกเลยว่าเทโรซอนะ่ะมีหลายพันหลายขนาดบางชนิดนะ่ะออกหากินในเวลากลางคืนจอมพรานเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งดวงตาเต็มไปได้วยความเอะใจเอาล่ะสมมุติว่าไอ้ฝูงค้างคาวที่เราเข้าใจแต่แรกนอนเกาะอยู่บนยอดไม้เหล่านั้นเป็นพวกเทโรซอจริงจะมีอะไรที่เราต้องสนใจนักเราไม่มีเวลาที่จะศึกษาหรือจําแนกประเภทของมันนะ มาเรียหัวรอเสียงแปร่งยักไหลก็เห็นจะต้องศึกษาไว้บ้างเหมือนกันล่ะอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราในคืนนี้ตอนพักนอนเพราะถ้าหากว่ามันเป็นพันุ์อย่างที่ฉันเกรงไปมันจะยิ่งอันตรายกว่าเจ้าพันธุใหญ่ที่โจมตีเราซึ่งซึ่งหน้าเมตกี้นี้อีกทําไมเหรอมันก็จะทําให้เราต้องตื่นยามกันอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอันหลับอันนอนน่ะสิเพราะถ้านอนเมื่อไหร่ก็เลือดแห้งตัวหมดทุกคน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 ไม่ยากหรอกในข้อนั้นมาเดี๋ยวเราจะย้อนกลับทางเก่าตรงป่าน่นแล้วสอยลงมาสักตัวหนึ่งให้คุณตรวจดูให้แน่ใจที่สุดทีเดียวว่าแต่ว่าจะมีอะไรเป็นที่สังเกตเพอแกการลงความเห็นแน่ๆ่บ้างไหมมีสิดูจากฟันหรือเขี้ยวมันก็พอจะวินิจฉัยได้มาเรียบอกอย่างมั่นใจอ่ะถ้างั้นไปกันทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งโดยไต่ไปตามสันดอนที่อาศัยเดินมาแต่แรกนั้น แ, แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอย่างขวัญหายอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงปีกระพือปั๊บกระทบน้ําแตกกระจายอยู่โคนต้นไม้ด้านขวามือไม่ห่างออกไปนักพวกพรานพื้นเมืองพากันร้องเ อ, อะอะชี้มือบอกกันเสียงโขมไปยังต้นเสียงที่น้ําแตกกระจายมาทาราโนอโดนตัวหนึ่งลอยฟ้องอยู่เหนือน้ําตื้นๆ ต, ตรงโคนต้นไม้ใหญ่นั้นกําลังกลางปีกระพือเหมือนจะดึงตัวให้พ้นจากพื้นน้ําอาการเช่นนั้นของมันนั่นเอง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 แล้วก็เกี่ยวตัวเองขึ้นไปเกาะร่องแรงอยู่ได้เพียงด้านเดียวแล้วก็ถลายลื่นตกลงน้ําที่โคนต้นนี้ทุระธุเลอยู่ตรงนั้นเจ้าตัวที่แงซายฟันด้วยดาบขณะที่มันพุ่งเข้าใส่นั่นเองบัดนี้มันหังไม่ตายแต่กลายเป็นสัตว์ลำบากตะเกียกตะกายอยู่ตรงนั้นทุกคนจ้องเป็นตาเดียวพร้อมกับร้องบอกกันลั่นแต่ยังไม่มีใครตัดสินใจจะทําอย่างไดลงไปโดยไม่มีคําสั่งจากท่านหัวหน้าคณะหรือพรานใหญ่ และเท่าที่มองเห็นอยู่ในขณะ น, นี้ก็รู้ได้ว่าริปเดตของมันถูกกันจัดลงซะแล้วเพราะ ป, ปีกหักจอมพรานบอกให้พวกลูกหาบทุกคนยืนคอยอยู่บนสันดอนตัวเขาเองก้าวลงไปในน้ําที่ลึกเพียงเขา่าและเดินตรงเข้าไปยังมังกรบินลําบากตัวนั้นคณะนายจ้างอีกสคนก็ชวนกันเดินลุยน้ําตามเข้าไปด้วยอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเห็นมันในขณะที่ยังเป็นเป็นอยู่โดยใกล้ชิด ระยะที่มันตะเกียกตะกายอยู่โคนต้นไม้ห่างออกไปเพียงไม่เกิน30เมตรเท่านั้นเดี๋ยวเขาก็หยุดยืนถือไรเฟิลเตรียมระวังอยู่กับที่เมื่อเข้าไปใกล้ประมาณห้าหเมตรจากรัศมีปลายปากของมันซึ่งบัดนี้อ้ากว้างแสดงกิริยาดุร้ายพยายามจะชะโงกหัวเข้ามาจิกอีกสีคนที่ตามมาด้วยก็พลอยชะ ง, งักลงด้วยกระจายกันยืนพิจารณาดูมันในลักษณะเรียนแถวหน้ากระดานทุกคนถือปืนพร้อมอยู่ในมือ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 จน้ำบริเวณโคลนต้นไม้นั้นแดงฉานขุ่นค้นไปหมดมันจึงได้แต่แสดงกิริยาประสงร้ายส่งเสียงแผดร้องและตีปีกอีกข้างหนึ่งกระทบน้ำอยู่โครมโคลมกระเซ็นน้ำกระเด็นเปียกมาถึงฝ่ายมนุษย์ที่เข้าไปยืนประจันหน้ากับมันในระยะใกล้ฝ่ายนายจ้างทุกคนประหลาดใจไปตามๆกันเมื่อมองหินบาดแผลจากรอยดาบที่โคนปีกข้างนั้นของมันเพราะไม่เห็นเหตุการณ์ตอนที่แงสายฝั ครั้งแรกเข้าใจว่ามันถูกเบิน ร, ร่วงแต่ยังไม่ตายไอ้นั่นดูเหมือนจะเป็นรอยดาบใครฟันน่ะแต่เมื่อไรตอนไหนอ่ะเชิดเทาอุทานขึ้นอ๋อแงซทายครับไอตัวนี้เป็นตัวที่สองที่พุ่งผ่านศีรษะพวกเราทุกคนไปหลังจากที่เมยิงตัวแรกพลิกไปกลางอากาศนะครับระพินบอกเบาๆเพราะเขาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่มองเห็นเหตุการณ์ตอนชุลมุนอย่างถนัดในทุกแง่ทุกมุม โอ้กอดแผลนั้นเน่ชกันมากทีเดียวมันไม่มีทางที่จะบินได้อีกแล้วตลอดไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะหายกินได้อีกด้วยมาเรียว่าจ้องมองดูมันขเมิงทุกคนต่างต้องถอยขยับหลังไปอีกสองก้าวจากที่เดิมเมื่อเจ้าเทอรานโนดรนลำบากตัวนั้นพยายามยืดคอจิกออกมาอีกดวงตาอันฝังอยู่ในกะโหลกของมันทั้งคู่ลุกแดงจ้าเต็มไปด้วยความเกรียวกราดโกรธแค้น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 มันก็จิกงับภายในพริบตาสบัดคอกระชากระพินเสียหลักจากแรงกระชากด้วยพลังมหาศาลในฉับพลันนั้นหัวปักทําท่าจะขมาหน้าเข้าไปหามันตามแรงฉุดโชคดีเหลือเกินที่ชายันไวพอที่จะคว้าคอเสื้อเขาไว้ได้ทันก่อนที่จะปลิวเข้าไปหามันและระพินก็ปล่อยไม้ท่อนนั้นหลุดจากมือท่ามกลางเสียงอุทานลั่นอย่างตกใจของทุกคนโอ้โหระวังเกือบไปแล้วสิผูกกอง เชื่อถารองอย่างใจหายใจคว่ำจอมพรานเป่าลมออกจากปากปัดมืออยู่ไปมาแม้ที่แรงมันยังเหลือเกินนะครับอยางกระทิ้งทั้งตัวฉุดนะนี่ทําไมท่อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายขนาดมนุษย์เรานี่ผมเชื่อว่าขาดทันทีแล้วครับจากความแข็งแรงของปากทีมและแรงมหาศาลที่มันกระชากนะอย่าล้อเล่นนะไพรวันทําไมถึงทํำอะไรโ ง, โ ง, โง่ๆอย่างเงี้ยมาเรียพูดเสียงสั่น อ้าวทำไมลองก็ไม่รู้สิครับเ<วา>ขาตอบเรียบๆแล้วเอื้อมือไปรับไรเฟินคืนมาจากเชษถายิงจ้องอสุรกายเวหาอยู่อีกอึดใจเหมือนจะตัดสินใจแล้วบอกว่าจะยังไงกันดีล่ะครับสำหรับไอตัวนี้จริงอย่างไม่ว่านะครับมันไม่มีทางจะบินหรือหากินได้อีกแล้วละ่ะก็ช่วย<า>มันพ้นทรมานซะดูแลรู้รอดสิหัวหน้าคณะบอกพอขาดเสียงของเขา ชั ย, ยันก็ประทับไรฟลจุดหกศนขึ้นแต่ระพินตะครุบไว้ได้ทันสงวนลูกไรฟร้ลไว้ดีกว่าครับพร้อมกับพูดเขาก็ชี้ไปที่จุดสี่สี่แมกนัมซึ่งคาติดอยู่กับเข็มขัดของอดีตนายทหารปืนใหญ่และช่วยเอาไราฟร้ลของชั ย, ยันมาถือไว้ชั่วคราวชั ย, ยันดึงปืนสั้นประจำตัวออกจากซองยกขึ้นแต่แล้วก็ยิ้มแหงๆหันมาทางดารินบอกเสียงอ่อยๆว่า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 อีกฝ่ายหนึ่งสั่นหัวอย่างเด็ดขาดมาไม่เอาใครจะยิงก็ยิงเถอะจะยิ ง, ย ง, ยงไม่ได้หรอกนอกจากว่ามันกำลังจะข่าใครสักคนในขณะ น, น, นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งชั ย, ยันกระพริบตาปริบ ป, ปริบหันไปทางมาเรียแม่มสาวรู้เชิงก็เลยทำเป็นไม่เห็นซะเดินถอยตามดารินไปอีกคนหนึ่งเชื่อถ้ารำคาญเต็มที่ก็กระชากเบอรสั้นกระบอกนั้นไปจากมือช ย, ยันตวาดเบาๆอย่างหงุดหงิด นี่ๆีหมวเกี่ยงกันอยู่ได้เอามานี่ฉันจัดการเองเหลวไหลสิจริงพวกนี้น่เด็กทารกด้วยกันทั้งนั้นแล้วท่านหัวหน้าคณะก็ไล่ชัยยันให้ถอยห่างออกไปรวมกลุ่มอยู่กับดารินและมาเรียเบื้องหลังตนเองเคลื่อนถอยออกไปอีกสองสามเก้าเพื่อหาเป้าหมายศีสะของมันให้ถนัดที่นี่ที่สุดเท่ากับที่ว่าทัพพลาดและมันกระสืบกระสนเข้าใส่ด้วยพิษเจ็บปวดกรุดแค้นก็จะได้ซ้าทัน เละยกปืนขึ้นสองทั้งสองมือเล็งอย่างระมัดระวังประนี่ที่สุดพร้อมกับแตะไกลปล่อยให้นกที่ง้างในจังหวะซิงเกิลสับลุกเสียงกระสุนจุด44แมกนัมระเบิดสนั่นวันไหวและพร้อมกับกำปนาดนั้นทุกคนที่เฝ้ามองดูอยู่ก็เห็นส่วนศีสะอันประกอบด้วยปากหน้าสะพึงกลัวของเทอโรนาดน์ดลำบากตัวนั้นสะบัดตะแคงไปทางด้านรงข้ามเหมือนถูกตบอย่างแรง ต่อจากนั้นก็ฟาดหัวจมลงไปในน้ำพร้อมกับร่างกายส่วนบนซึ่งยังลอยอยู่ดิ้นพรา่าลิกงายพลิกควม่มน้ำแตกเป็นโกลาหลเปียกปอนมาถึงทุกคนการดิ้นรนอย่างรุนแรงนั้นค่อยๆแช่มช้าและเบาบางลงเป็นลำดับในที่สุดก็งายท้องพึง่งสงบนี่ทั้งหมดถอนใจออกมาอย่างโลง่งอกเมื่อเชษฐานะระพินเดินลุยน้าถอยกลับออกมา ท่านหัวหน้าคณะส่งปืนคืนให้ใชัยันพร้อมกับบอกอย่างรอบคอบว่าอถอดปลอกทิ้งแล้วบรรจุให้เต็มตามเดิมซะต่างกลับมาถึงตำแหน่งที่พวกลูกหาบยืนดูรอคอยอยู่บนแนวสันดอนอีกครั้งแล้วจึงเคลื่อนต่อไปเงียบๆโดยไม่ปริปากพูดคำใดกันอีกเลยแต่แล้วช่วไม่กี่ก้าวที่ออกเดินเรียงแถวกันไปนั้นก็ได้ยินเสียงน้ำแตกกระเทือนขึ้นอีก คราวนี้ดังมาจากฝั่งทะเลสาบอันเป็นบริเวณน้ําลึกเบื้องหลังเสียงสั่งปลาซึ่งเดินรังทายเพื่อนชีโบชีเบไปทางทะเลสาบตะโกนส่งพาอสาพม่าบอกอะไรนายสาวเอ็ดอึมมาเรียซึ่งเดินรวมกลุ่มอยู่เบื้องหลังก็กระโจนลงน้ําวิ่งย้อนไปยังคนของหลอดแล้วหยุดยืนดูอะไรมีอะไรขึ้นอีกเหรอชายันถามเร็วปรือสั่งปลาบอกว่ามีสัตว์อะไรไม่ทราบครับโผล่ขึ้นมาฮุบซาก เทอร์โนโดอนลากจมหายไปในน้ำเลยละครับระพินบอกกระเข้หรือปลาใหญ่เหรอผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับเห็นบอกว่าลากหายลงไปทั้งตัวเลยละครับระหว่างที่ระพินตอบทุกคนก็ยังคงได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายครื่โครมอยู่เช่นนั้นเหมือนมีสัตว์ใหญ่บางชนิดม้วนตัวตลบอยู่ใกล้ๆผิวน้ํามองย้อนกลับไปในระหวา่างอันเป็นตําแหน่งที่ซากเจ้ามังกรบินลอยทุบ ป, ป่องทุบ ป, ป่องอยู่ห่างออกไป ก็เห็นรายน้ำแตกครั่งพรู ข, ขึ้นมามีขนาดใหญ่ราวกับขดแบดมินตันหรือสนามบาสเกตบอลซากของเทรานโนดอนกระเพื่อมตามระลอกน้ำขึ้นลงแล้วก็เห็นถูกชุดกระชาิเอียงเท่เลื่อนไหวอยู่ไปมาและในที่สุดก็ถูกดึงหายวูบลงไปใต้ผิวน้ำมีบางส่วนของร่างกายอันไม่อาจสนิฐานได้ว่าเป็นส่วนใดของสัตว์ประเภทไหนคลุบโผลขึ้นมาให้เห็นเหนือน้าเล็กน้อยและจมหายไปอีก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 ลอยล่อจมูกมันตรงบริเวณน้ำตื้นๆ น, นี่ไม่ช้าก็เร็วมันคงจะตามขึ้นมาลากกัไปหมดเพราะกลิน่นคาวเลือดระเหยไปตามน้ำแบบนี้ไม่มีใครแสดงความกล้าหาญหรือว่าใจเย็นอยู่ได้ต่อไปเพราะถึงมาเรียจะไม่พูดทุกคนก็มีความรู้สึกตรงกันหมดถึงกลิ่นไออันไม่ชอบมาผา ก, ก น, นั้นระพินหลีกทางลงไปยืนอยู่ในน้ำโบกมือร้องเร่งให้คณะพวกลูกหับ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 รอยพายผมอยู่ข้างหลังคนเดียวก็พอครับจอมพรานบอกโดยเร็วในระหว่างเดินเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังกูคอยจับฟังเสียงผิดปกติใดๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยทวงเวลาทิ้งระยะให้พวกนั้นเดินห่างออกไปราวสาสิบเมตรเชิดถายิ้มให้อย่างมั่นคงและเยือกเย็นตอบว่าปืนสองกระบอกน่ดีกว่ากระบอกเดียวนระรพินและนอกจากคุณกางแงซายแล้ว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 ขาทั้งสองเหมือนจะหมดไข่ข้อลงชันนั้น